ตอนบวชบัญชีแล้วแกเล่าให้ภูเกยนฟังว่าพอท่านสั่งแล้วสั่งอีกหลายครั้งหลายหนให้ทาภาวนาแกจึงคิดสะดุดใจว่าทรอยเราจะพอมีวาสนาอยู่บ้างกระมังท่านอาจารย์จึงมากเมตตาเราเป็นพิเศษเสมอมาถ้าไม่มีอะไรดีอยู่บ้างท่านจะมาสนใจอะไรกับเราที่เป็นเพียงเด็กกลางบ้านคนหนึ่งซึ่งเทียบกับหมาตัวหนึ่งเราดีๆนี่เองไม่มีอะไรดียิ่งกว่านั้นต่อไปนี้ เราควรทำภาวนาตามวิธีที่ท่านเมตตาแนะนำแกเล่าว่าท่านแนะให้ภาวนาพุโทโธกลางคืนวันหนึ่งพอทานอาหารเย็นเสร็จแล้วกดเตรียมเข้าห้องนอนแต่หัวคำ่ำความมุ่งหมายจะเข้าที่ทำภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังตามคำท่านสั่งพอไหว้พระเสร็จก็เริ่มเข้าที่ภาวนาตามวิธีที่ท่านแนะพอเริ่มบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธไปได้ราวสิบ้านาที จิตก็สมบรวมลงไปแต่แกเองไม่ทราบว่าจิตของตัวรวมเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเพิ่งมาเป็นอวันนั้นขณะที่จิตรวมลงนั้นเหมือ น, นตัวเองตกลงไปพ้นบ่อลึกพับเดียวแล้วหายเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นปรากฏว่าตัวแกเองตายจริงๆคือภาพตัวแกเองมาตายอยู่ต่อหน้ามองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นตัวแกจริงตายอยู่ต่อหน้า และเชื่อแน่ในขณะที่เห็นภาพนั้นว่าตัวเองตายแล้วจริงๆแต่สิ่งหนึ่งนึกขึ้นมาว่าโอ๋เนอเราตายไปแล้วบัดนี้วันพรุ่งนี้ใครจะนึ่งข้าวใส่บาตรแทนเราหนอตรงเลททางพยิสานทานข้าวเหนียวฟันรวยมากเวลาท่านอาจารย์มาบิณฑบาตไม่เห็นเราใส่บาตรท่านก็จะถามถึงแล้วใครจะเรียนตอบท่านแทนได้ว่าเราตายไปแล้วตอนนั่งภาวนาคืนนี้ เลยนึกตัดสินใจในขณะนั้นว่าเอา้าตายเป็นตายคนและสัตว์ทั้งโลกโดวนจะตายเช่นเดียวกับเรานี่แหละไม่มีใครจะมาจับจองครองโลกแต่ผู้เดียวได้ไม่ยอมตายพอตัดสินใจได้แล้วก็ย้อนจิตมาสนใจกับภาพศพตัวเองที่กำลังนอนตายอยู่ต่อนหน้าไม่เลือนลางหายไปไหนเรากระตือนให้รู้สึกตัวว่าตายแล้วไม่มีทางสงสัย ขณะที่กำลังรำพึงการตายของตัวเองยังไม่ถึงไหนชาวบ้านพากันมาหามศพนั้นไปป่าช้าในขณะนั้นพอไปถึงป่าช้าก็มองเห็นท่านอาจารย์มั่นกับพระทั้งหลายกําลังเดินตรงเข้ามาที่ศพซึ่งนอนอยู่เฉพาะองค์ท่านอาจารย์มั่นพูดกับพระว่านี่เด็กหญิงคนนี้ตายแล้วเอา้าพวกเรามาติการแต่คํำมาติการนั้นเป็นคําของท่านอาจารย์มั่นพูดออกมาองค์เดียวในท่ามกลางพระสงฆ์ที่กําลังยืนมุงดูอยู่ ว่าอ น, นิจจาวตจสั่งฆาราสังขารร่างกายตายแล้วใช้งานอะไรไม่ได้แต่จิตไม่ตายยังใช้งานได้ตลอดไปนอกจากจะนําไปใช้ในทางที่เสียใจก็เป็นภัยแก่ตัวเองว่าสามผลซ้ำซ้กันอยู่ประโยคเดียวเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านเอาไม้เท้าท่านเคียไปตามร่างสบเบาๆพร้อมกับพูดว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายแต่จิตใจเที่ยง ไม่มีเกิดไม่มีตายไปกับร่างกายเป็นเพียงหมุนไปตามเหตุปัจจัยพาให้เป็นไปและพูดซ้ำซากไปมาแต่ไม่ท่านเคลียไปถึงที่ใดเนื้อหนังมังสารเปื่อยออกไปถึงนั่นจนเปื่อยไปหมดทั้งร่างเพราะท่านเคลียไปทั่วร่างของศพนั้นจนเหลืออยู่เฉพาะหมากหัวใจท่านจึงหยิบออกมาห้าใจออกมาและพูดว่าหัวใจนี้ทํำลายไม่ได้ถ้าทําลายต้องตายไม่มีฟื้นอีก ตัวแกก็ดูอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่ขณะแรกปรากฏจึงคิดขึ้นมาว่าก็คนตายจนเปือยจนหมดทั้งร่างแล้วยังเหลือแต่กระดูกจะเอาอะไรมาฟื้นท่านต่อความคิดนึกของแกทันทีแต่ไม่ได้มองดูหน้าแกว่าต้องฟื้นสิไม่ฟื้นอย่างไรเพราะสิ่งที่จะพาให้ฟื้นยังมีอยู่จวนสว่างทุ่งนี้ก็ฟื้นเท่านั้นเองดังนี้น่าแต่ชลมุนุ่นวายอยู่กับศพใตหัวค่า จนเรื่องจะยุติลงและท่านอาจารย์กับพระสงฆ์จะจากไปกินเวลานานแสนนานแกว่าแกเล่าเหตุการณ์ของแกยืดยาวผู้เขียนจำไม่ค่อยหมดแกว่าจิตเริ่มปรากฏแต่ขณะสงบลงทีแรกและต่อเรื่องราวระจนชวนสว่างจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนรู้สึกตัวขึ้นมาจึงได้ยินเสียงไก่ขันกระชั้นชวนสว่างมองดูตัวยังนั่งอยู่ตาปกติไม่ได้ตายดังที่เข้าใจในเวลานั้น จึงปรับดีใจคืนมาว่าตัวไม่ได้ตายไปกับเรื่องที่ปรากฏเมื่อทราบเรื่องของตัวโดยตรอดว่าไม่ตายจริงๆแล้วก็มนุึกตำหนิตัวเองว่าท่านให้นั่งภาวนาแต่ทําไมเราจึงนั่งหลับและหลับเสียจนฝันว่าตัวตายไปทั้งคืนก็ยังไม่ตื่นแม้คืนนี้ภาวนาเร็วจริงๆพอรุ่งเช้าวันต่อมาท่านอาจารย์มาบินทบาทก็สั่งแกในขณะนั้นว่าประมาณพระฉันเสร็จให้ออกไปหา โดยที่แกไม่ได้เรียนอะไรให้ท่านทราบไว้ก่อนเลยแม้แต่ก่อนท่านก็ไม่เคยสังให้แกออกไปหาเพื่อมีครั้งเดียวเท่านั้นจึงเป็นที่น่าประหลาดว่าท่านต้องทราบเรื่องของตอนแต่ตอนกลางคืนแล้วอย่างชัดเจนพอออกไปท่านก็ถามทันทีว่าเป็นอย่างไรภาวนาเมื่อคืนนี้เกรินตอบว่าภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรเลยพอภาวนาพุโทโธพุโธไปได้ราวสิบห้านาทีจิตก็ตกลงไปก้นบ่อแล้วหลับ และฝันไปเลยเกือบตลอดคืนจนสว่างตื่นขึ้นมาจึงรู้สึกเสียใจไม่หายจนบัดนี้ตัวหลวงพ่อจะดูเอาว่าภาวนาไม่เป็นท่าได้จะหลับพอทราบเท่านั้นท่านโหเราะชอบใจและถามทันทีว่ามนหลับอย่างไรและฝันอย่างไรบ้างลองเล่าให้ฟังดูทีแก่เล่าถวายท่านนางกล่าวมาท่านยิ้มหัวเราะใหญ่และพูดออกมาด้วยความชอบใจว่านั่นไม่ใช่หลับไม่ใช่ฝันนั่นแลจิตสงบจิตรวมจงจำไว้ ที่ว่าฝันไม่ใช่ฝันแต่เป็นนิมิตที่เกิดจากสมาธิภาวนาต่างหากนี่แหละที่ท่านว่าภาวนาเห็นนิมิตต่างๆนั้นคือเห็นอย่างที่หนูเห็นนั่นเองท่านอธิบายให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็บอกให้พากันกลับบ้านและสั่งคำชักให้ภาวนาต่อไปและบอกว่าจิตจะรู้เห็นอะไรก็ปล่อยให้มันเห็นไปไม่ต้องกลัวหลวงพ่อมาให้กลัวอะไรผ่านมาในขณะภาวนาจงกำหนดรู้ให้หมด เวลาหลวงพ่ออยู่ที่นี่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวเวลาเวลาภาวนารู้อะไรเห็นอะไรให้ออกมาเล่าให้ฟังจากนั้นมาแกก็พอใจภาวนาเหตุการณ์เป็นไปเรื่อยๆในลักษณะต่างๆกันจนเวลาท่านจะจากไปจึงสั่งให้ออกไปหาและสั่งคำชาติให้หยุดภาวนาไปพักหนึ่งก่อนเมื่อถึงกาแล้วจะค่อยเป็นไปเองคือเวลาท่านจากไปห้ามไม่ให้ภาวนาท่านคงคิดพอแล้วว่าแกมีนิสัยของจิต อาจผนหากเป็นอะไรขึ้นเวลาท่านมาอยู่จะไม่มีผู้ช่วยแนะแก้ไขอาจมีทางเสียได้จึงห้ามไม่ให้ทำต่อไปตัวแกเองก็ไม่ทราบความหมายแต่เชื่อตามท่านสั่งจึงไม่ได้ภาวนาต่อไปทั้งที่อยากทำแทะใจจะขาดจนอายุแกจวนย่างเข้าสี่สิบปีจึงได้สละครอบครัวออกบวชและฝึกหัดภาวนาต่อไปวิสัยที่เคยรู้เคยเห็นสิ่งต่างๆก็ปรากฏรู้เห็นเรื่อยมา ตอนแกพบผู้เขียนและเล่าภาวนาให้ฟังจึงทราบนิสยัยและความมุ่งหมายของท่านอาจารย์ที่ห้ามไม่ให้แกภาวนาเพราะเป็นนิสัยผาดโผลถ้าไม่มีผู้รู้ที่เหนือกว่าจะรั้งไว้ไม่อยู่เวลาเป็นขึ้นมาเนื่องจากไม่มีอุบายจะรังนั่นเองอาจมีทางเสียได้จึงขอสบุปเรื่องของแกเอาแต่ใจความมาประกอบกับปัญหาทางสมาธิและปัญญาเท่าที่ควรความรู้แปลกๆของแกมีมากพอสมควร แม้ตอนท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักคราวจะมรณภาพแก่ก็ทราบทางสมาธิเหมือนกันทั้งที่อยู่คนละจังหวัดระยะทางห่างไกลกันมากคือตอนกลางคืนเวลาเข้าที่สมาธิปรากฏท่านอาจารย์มั่นเหาะมาทางอากาศมายับยั้งอยู่บนอากาศแล้วประกาศกล้องลงมาว่าพ่อป่วยหนักจงรีบไปเยี่ยมพ่อเสียแต่เนิ่ น, น, นพ่อจะลาโลกเพราะการป่วยครั้งนี้แน่นอนที่ท่านเหาะมาโดยทางอากาศนั้น แกทราบโดยทางสมาธิภาวนาแทบทุกคืนโดยมาเตือนให้รีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันเห็นร่างของพ่อจะตายก่อนยิ่งจวนวันท่านจะมรณะภาพเท่าไรก็ยิ่งมาปรากฏให้เห็นทุกคืนไม่มีวันเว้นเลยตามปกติเวลาแกบวชแล้วก็เคยไปกราบนวันสการเยี่ยมท่านเพื่อฟังการอบรมทุกปีมีได้ขาดในระยะที่ปรากฏเห็นองค์ท่านอาจารย์มาปรากฏบ่อยนั้นจะว่ากรัน หรืออะไรก็ยากจะเลาถูกเพราะขณะปรากฏทางสมาธินิมิตก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าท่านอาจารย์ป่วยหนักจวนเป็นทีแล้วท่านอุตษาหเมตตาหะมาบอกแทะทุกคืนและต่อมาก็ออกมาปรากฏทุกคืนพวกเรายังไม่ได้ไปกราบเยี่ยนท่านเลยยังติดธุระนั่นนี่อยู่ไม่มีวันสางสาพอนัดกันวันนั้นวันนี้ว่าจะออกเดินทางไปกราบเยี่ยนท่านก็ไม่สําเร็จพอวันสุดท้ายที่กําหนดออกเดินทางก็เป็นวันท่าน มรณภาพมาถึงแล้ก็คืนนั่นแลท่านได้เหาะมาทางอากาศยามดึกสงัดมายืนประกาศถึงก้องอยู่บนอากาศว่าเห็นไหมพ่อบอกหลายครั้งแล้วว่าให้รีบไปเยี่ยมพ่อบัดนี้หมดเวลาเสแล้วจะพากันนอนจมกองมุดกองคูดอยู่ที่นี่ก็ตามใจถ้าไม่สนใจคําของพ่อคงเป็นอันหมดหวังเพียงวันนี้ไม่ได้พบร่างพ่ออีกแล้วบัดนี้ยพ่อลาโลกไปเสแล้วพากันทราบหรือยังถ้ายังก็คอยฟังข่าวเสีย พ่อบอกความจริงให้แล้วไม่เชื่อไปก็เห็นแต่ซากนั่นแลที่ไม่มีอะไรรับโลกเหลืออยู่แล้วบัดนี้พ่อลาโลกแล้วนะเชื่อหรือยังหรือยังไม่เชื่ออยู่อีกเพราะการรมเกิดจากความประมาทตัวเดียวนั่นแลพาโลกให้ผิดหวังพ่อลาโลกในคืนวันนี้แล้วไม่สงสัยดังนี้แล้วก็หายไปในอากาศพอจิตถอนออกจากสมาธิก็จวนสว่างตัวกาเองทนไม่ไหวเพราะเห็นท่านเมตตาโปรสึกคืน ในระยะจวนจรลาโลกลาขันต้องร้องไห้อยู่คนเดียวหลังจากสมาธิแล้วพอสว่างก็รีบมาบอกหมู่คณะว่าท่านอาจารย์มั่นมิพพานไปเสียแล้วเมื่อคืนนี้ฉันทราบทางนิมิตภาวนาอย่างชัดเจนไม่สงสัยดังที่เคยเตือนให้ทราบอยู่เสมอมาและร้องไห้ต่อหน้าหมู่เพื่อนอย่างไม่อายจนใครก็มุ ง, งันไปตามๆกันถ้าจะว่าแกเป็นบ้าหรือก็ไม่ถนัดใจเพราะความรู้ทางสมาธิของแก เคยแม่นยำ ม, มาแล้วจนเชื่ออย่างตายใจยิ่งกว่าจะมาคิดว่าแกเป็นบ้าขณะที่พูดสนธนาคันยังไม่ขาดคำก็มีคนวิ่งตาลีตาควางออกมาบอกว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้คุณแม่ทราบหรือยังวิทยุทางอำเภอประกาศเมื่อเช้านี้เวลาแปดนาฬิกาว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัเถระองลือนามในวงปฏิบัติสมัยปัจจุบัน ได้มรณภาพเสร็จแล้วแต่เวลาสองนาฬกาสาสิบสามาทีที่วัดสุดทธาวาจสจังหวัดสกนครผมทราบเพียงเท่านี้ก็รีบกลับมาบ้านบอกใครถกใครบ้างแล้วก็วิ่ง ม, มาเรียนให้คณะคุณแม่ทราบเกรงว่าจะยังไม่ทราบกันดังนี้พอทราบความแน่นอนในวาระที่สองว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจริงๆเท่านั้นสำนักแม่ชี แต่กลายเป็นสะพานน้ำตาขึ้นมาอี ก, กวาระหนึ่งหลังจากพากันหลังน้ำตาไปแล้วในตอนเช้าที่แม่ชีคนนั้นเล่านิมิตให้ฟังเมื่อชีคนนี้แกมีความรู้ทางสมาธิแปลกๆผิดธรรมดาอยู่หลายแขนงทราบว่าแกเพลินติดความรู้ประเภทนี้อยู่เป็นเวลาสิบกว่าปีวันใดภาวนาไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆโดยทางสมาธินิมิตแกถือว่าวันนั้นมันได้รับประโยชน์ทางสมาธิภาวนาเลยแกติดทางนี้จนฝังใจ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 และเห็นผลเป็นที่พอใจไม่ตื่นเต้นอับเฉาไปตามนิมิตต่างๆที่มาปรากฏดำรงตนอยู่ด้วยสติปัญญาอันเป็นทางดำเนินเพื่อความพ้นภัยไร้ทุกแก่จริงได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้การปฏิบัติต่อสมาธินิมิตของแกจึงไม่มีอะไรที่หน้าพิโตอีกต่อไปสมาธิประเภทนี้ยิงกลายเป็นความสาคัญขึ้นในการทาประโยชน์ตนและส่วนรวม แ่มีความรู้แปลกๆที่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ค่อยมีกันเรื่องเหตุการณ์ในอดีตอนาคตเปรตพูดผีเทวดาจำพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆแต่รู้ได้ดีพอสมควรจะขอยกตัวอย่างมาลงโดยสังเขปพอเป็นข้อคิดเกี่ยวกับตาในใจที่ของผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้คือคืนวันหนึ่งแกนั่งภาวนาปรากฏมีสัตว์ชนิดหนึ่งเข้ามาหาในภาพแผงบุุษมาร้องทุกว่า เธอเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนี้มันได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของว่าใช้สอยแกมาตั้งแต่พอลากคราดลากถ่ายใสย่ลอ้อใส่เกวียนได้เรื่อยมาแทนที่เยเห็นบุญคุณแก่บ้านนอกจากทรมานเคี่ยนตีในเวลาลากเข็นและเวลาปกติธรรมดาแล้วยังถูกจูงไปมัดคอใส่ต้นไม้แล้วฆ่าแทงแกจนตายและกินเนื้อกินหนังเสอีกซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณสิ่นมนุษยธรรมที่จริงจริงเสียจริงๆ ก่ อ, อนจะตายก็ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสทนไม่ไหวจึงได้ตายทั้งที่ไม่อยากตายรู้สึกมีความเกียดแฉนในเจ้าของเป็นอย่างมากแทบไม่มีที่ปรองวางจิตใจเวลานี้จึงได้เดินโซซัดปัดเตะมหาคุณแม่ให้ช่วยบรรเทาทุกข์และขอพึ่งบุญบา ร, รมีแบ่งส่วนกุศลผลบุญที่คุณแม่ได้บำเพ็ญมาพอมีส่วนได้แตเกิดเป็นมนุษย์กับเขาพอมีทางหายใจระบายทุกข์บ้าง ไม่ถูกกดขี่บังคับทรมานจนเกินไปดังที่เป็นมาเวลานี้การเกิดเป็นสัตว์ลำบากทรมานมากและเกินเพราะถูกบังคับทรมานด้วยประการต่างๆทั้งจากมนุษย์และจากสัตว์ด้วยกันการเกิดเป็นมนุษย์แม่จูอดอยากันดานสองวันหิวสามวันอิ่มปากอิ่มท้องครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์ซึ่งมีความทุกข์ลำบากทรมานอยู่ตลอดเวลาแม่ชีจึงถามุรุษนั้นบ้างว่าทำไมว่าเขาไม่รู้จักบุญคุณของเรา และว่าเขาไม่มีมนุษยธรรมในใจข้าตีทรมานโดยระการต่างๆจนถึงกับผูกโกรธผูกแฉนจองกรรมจองเวรในเขาไม่ใช่เราไม่ดีไปเที่ยวหาลักขโมยสิ่งของหวงแหนที่เขาปลูกไว้ตามไรนารัวสวนมากินหรืออยู่ดีๆทำไมเขาจะเอาตัวมาเคี่ยนตีทรมานและนำตัวไปฆ่ามนุษย์แถวนี้ก็ปรากฏว่าดีมีสินธรรมพอเชื่อถือได้ทาไมเขาจะทาได้ลงคอ ถ้าเรายังดีอยู่นี่น่ากลวจะไปเที่ยวทำไม่ดีอย่างแม่ว่าประมาณเขาจึงได้ทำอย่างนั้นให้เราเพื่อสาสมกับความไม่ดีของตนเราได้ทำดังที่แม่ว่าบ้างหรือเปล่าล่ะเขาตอบน่าสงสารจับใจว่าก็เพราะความหิวโหยอดอยากเกี่ยวกับปากท้องอันเดียวนี่แหลเป็นสำคัญในมวลสว์โลกเห็นอะไรก็เข้าใจว่าเป็นอาหารจะพอประทังชีวิตจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นสมบัติของใคร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 ที่ว่ามนุษย์แถวนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเขาคงไม่ทําชั่วแก่ศาสตร์ใต้หลวงพ่อนั้นจริงสําหรับมนุษย์ที่มีธรรมดังคุณแม่ว่าแต่มนุษย์คนชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นที่เป็นเจ้าของของผมนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่ดีมีศีลธรรมติดใจพอเป็นเชื้อสายของมนุษย์บ้างเลยมันเป็นเพียงเศษมนุษย์มาเกิดสังหากฉะนั้นเขาจะมีใจโหดร้ายทารุณที่อะไรอะไรจะให้อภัยเขาไม่ได้ แม้แต่มนุษย์โดยการเขาก็ทำร้ายได้อย่าว่าแต่สัตว์ซึ่งอาภัพวาสนาเลยแม่ชีจึงให้ อ, อว่าสั่งสอนเขาด้วยความเมตตาสงสารและแบ่งส่วนกุศลให้เขาด้วยใจเอ็นดูอย่างถึงใจพร้อมกับให้ศีลให้พรขอให้กุศลผลเมตตาของแม่ที่แบ่งให้นี้จงเป็นสบียงเครื่องรอเลี้ยงส่งเสริมและนำทางให้คุณได้ไปเกิดในสุคติสถานมีอาหารทิพย์และวิมานทองเป็นที่อยู่สวยเถิด พอเขาสาธุรับส่วนกุศลแล้วกว็าลาคุณแม่เขาไปด้วยอาการอันแช่มชื่นเบิกบานเราขับจะได้ไปเกิดในกำเนิดและสถานที่อันสมหวังในขณะนั้นพอรุ่งขึ้นก็เรียกล้านชายในบ้านมากระซิบบอกว่าคืนนี้แม่นั่งภาวนาปรากฏขอให้แกหาอุบายไปเสิร์ฟดูพฤติการของนายคนนั้นให้แม่ทีจากคนในคนหนึ่งที่พอทราบได้ องคเเปิดนายคนนั้นคือคนที่สัตว์ลึกลับระบุชื่อว่าเป็นผู้ที่นาเขาไปฆ่าอลิติกแต่อย่าให้เขารู้ตัวว่าแม่สั่งให้ไปสืบถามเดี๋ยวเขาจะอายเราหรืออาจคิดไม่ดีต่อเราแล้วจะเป็นบาปหนัดเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งจะแย่ใหญ่พอเรียกล้านมาประสิบสั่งดังนั้นล้านก็บอกขึ้นทันทีว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกันกบอีตาคนนั้นและทราบเรื่องนี้ได้ดีว่า คุณแม่จะให้ผมไม่ถามให้เสียเวลาทําไมก็เมื่อคืนนี้ราวสองทุ่มแกรากเอาควายของแกไปฆ่าอยู่ที่นั่นที่นั่นเสียงควายร้องเพราะความทุกข์ทรมานได้ยินถึงไหนโน้นเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันมากินเลี้ยงกันใหญ่เสียงเอสโตรโฮเฮจนเปื้อนสว่างจึงได้สงบลงป่านี้มันตื่นนอนกันหรือยังก็ไม่รู้ผมรู้เรื่องนี้ดีจึงอยากให้ไปสืบถามให้เสียเวลาเลยดังนี้ความจริงที่แม่ชีเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้ การปรากฏในมิตก็ปรากฏในคืนเดียวกันเป็นเพียงแกปรากฏตอนดึกสนัดซึ่งผิดเวลาการเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับพวกเราที่กําลังตกอยู่ในห่วงวัตตะซึ่งมีทางเป็นได้โดยกันโดยไม่เรื่อการสถานที่และใครใคเรื่องที่สองนี้เป็นหมูป่านี้ก็หน้าประหลาดไปอีกทางหนึ่งคือหมูป่าตัวนี้ก็เที่ยวหากินมาตามชายเขาโดยลําพังเหมือนนึกว่าจะมีคนตักซุ้มอยู่ตามบริเวณนั้น พระอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากในว่านยพรานไปดักซุ่มยิงสัตว์ป่าที่มาหากินน้ำในแอ่งหินชายภูเขาเพราเอินคืนึ่นั้นคมของหมูป่าตัวนี้มาถึงจึงลงไปกินน้ำในแอ่งหินที่เขากำลังนั่งห่างคอยทีอยู่ก่อนแล้วพอมาถึงก็พอมาถึงน้ำก็โดนยิงตายในขณะนั้นจวนสว่างหมูตัวนั้นก็มาหาแม่ชีซึ่งกาลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเพศแห่งบุรุษเช่นเดียวกัน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 ไป ท, ที่ไหนก็มีแต่ภัยแตเวนรอบด้านต้องระวังตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นก็ยังถูกเขาฆ่าจนได้แต่การตายคราวนี้ก็ไม่ได้ติดใจเสียดายอะไรยิ่ยงกว่าการไปเกิดในภพต่อไปตัวจะไปเกิดเป็นสัตว์อีกดังที่เคยเกิดมาแล้วซึ่งแสนทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากและการระวังภัยนั่นแลพาให้เกิดทุกข์จนกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวงระวังอยู่รอบด้านไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอน ที่จะเกีย่ยกสกายมานี้ก็เพราะความกลัวการเกิดจะผิดพลาดไม่อาจท่ามได้หากไม่มีบุญช่วยคำชูอุดหนุนจึงได้กระเสดิกระสนมากหวังพึ่งบุญบารมีคุณแม่ผู้บำเพ็ญธรรมมีบุญคำหนุนโลกได้ช่วยอนุเคราะห์เมตาาตาสัตว์ผู้อาภัพอับว า, า, า, าสนาในคราวนี้ด้วยเถิดอาจได้ไปเกิดในที่และกำเนิดอสงหวังผมไม่มีสมบัติใดติดตัวพอเป็นเครื่องอบกุ่นมั่นใจในคติพบ มีแต่ร่างกายเนื้อหนังที่ถูกทำลายตายไปเมื่อคืนนี้เท่านั้นพอได้ถวายเป็นทานบูชาธรำรแด่ท่านผู้ทรงธรรมบำเพ็ญพรหมจรรย์จึงได้มากราบเรียนยิงบอลไว้เพื่อคุณแม่ทราบเหตุการณ์และอนุเคราะห์ด้วยคือเวลาเขาเอาอวัยวะเครื่องภายในอันเป็นของมีค่าและเนื้อหนังมังสังอวัยวะภายนอกของผมมาให้ท่านที่นี่ออคุณแม่โปรดเมตตาบริโภคขบฉันให้ผมด้วยเถิด เพื่อบุญอันเกิดแต่ถานนี้จะได้เป็นเครื่องอุดหนุนเชิดชูให้ผมได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพต่อไปสงความมุ่งปรารถนาสิ่งที่เป็นน้ําใจอันประสงค์ยาถวายทานอย่างยิ่งของผมนั้นคือเครื่องในแห่งอวัยวะของหมูที่ตายอันเป็นตัวผมเองแต่มนุษย์มีความระโมบ็บโลกมากกว่าสาัตว์ทั้งหลายจึงกลัวว่าเนื้อชิ้นใดที่ดีๆเขาจะเก็บสังสมไว้เพื่อพุิของตัวมากกว่าเพื่อทําบุญ แล้วไม่นำมาให้ทานเพราะกลัวจะหมดจากปิ้นจากปากด้วยอนนานาจกิเลสตัวโลภโพาให้เป็นไปผมจึงมีความวิตกกังวลมากเกรงไม่สมใจที่อยากให้ทานในวระสุดท้ายแม่ชีได้เมตตาอบรมสั่งสอนเขาพร้อมกับให้ศีลให้พรแทะแทนส่วนกุศลแก่เขาขอให้ได้ไปเกิดในกำเนิดที่มุ่งหมายตามใจหวังเขารับอนุโมทนาส่วนบุญแล้วไดลาจากไปในขณะนั้น พอรุ่งเช้าแกก็มากระซิบบอกคณะแม่ชีด้วยกันว่าแกนั่งทําสมาธิภาวนาอยู่ตอนดึกราวสามนาฬิกาได้มีนิมิตรปรากฏเห็นบุรุษคนหนึ่งเข้ามาหาด้วยท่าทางที่มีความทุกข์ทรมานใจมากเมื่อถูกถามก็ได้ความว่าบุรุษนั้นเป็นหมูป่าอาศัยอยู่ในภูเขาลูกนั้นมาหลายปีคืนนี้ขณะหมูป่าตัวนั้นลงมากินน้ําที่แอ่งหินชายภูเขา จึงถูกนายชื่อนั้นอยู่หมู่บ้านชื่อนั้นซึ่งนั่งห่างคอยทีอยู่ยิงตายในขณะนั้นจากร่างหมูตัวที่ตายนั้นจึงนิรนามิเพศเป็นมนุษย์มหาฉันแสดงความประสงค์อยากอุทิศร่างกายเอ า, เอาอวัยวะของตัวที่ถูกเขาฆ่าให้ทานแก่พวกเราเพื่อรับประทานเนื้อหนังมังสางของเขาเพื่อพบต่อไปเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะผลแห่งฐานี้จึงไห้เราเหตุการณ์ให้ ท, าหทราบลูหน้าว่า เมื่อเขานําเนื้อหนังมังสังส่วนใดก็ตามมาให้ฐานที่นี่ขอให้พวกเราอามิเคราะห์เมตตาบริโภคให้เขาด้วยเพื่อบุญนี้ได้เกื้อหนุนเขาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปทําไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบฉันเองก็ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเลยที่สัตว์เจริญชานคิดใจบุญอยากให้ฐานเนื้อหนังของตนดังหมุป่าตัวนี้ถ้าเป็นความจริงคอยสังเกตดูต่อไปจะจริงหรือเท็จประการใดบ้างขอทราบคั้งคราวนี้เอง เป็นที่นาประหลาดและอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยถ้าตามเหตุผลที่เป็นมานี้คือพอสายหน่อยประมาณแปดนาฬิกาก็เห็นผู้หญิงสองสามคนกับพัญญาของนายชื่อนั้นนั่นเองคนหนึ่งนําเนื้อหมูป่ามาให้ทานที่นั่นพอคณะแม่ทีมองเห็นเนื้อที่เขนานําออกแสดงก็ทราบกันโดยในว่าต้องเป็นเนื้อหมูป่าตัวนั้นแน่นอนไม่สงสัยเมื่อถามเขาก็ทราบเป็นความจริงทุกประการ แม้ผู้หญิงหมูป่าตัวนั้นก็เป็นนายชื่อนั้นจริงๆด้วยนี่คือที่มีต่างๆที่เกิดในสมาธิของนักปฏิบัติบางรายและปัญหาที่เกิดจากสมาธิก็มีมากดังกล่าวมาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นตามขั้นปัญญาก็ยิ่งมีมากกว่าสมาธิทั้งลึกซึ้งและสลับซับซ้อนกว่าสมาธิอีกมากมายวันหนึ่งๆเกิดได้ไม่มีกําหนด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 นับแต่ขั้นอสุภะจนถึงขั้นนามธรรมอันเป็นส่วนละเอียดย่อมเป็นทางเดินของสติปัญญาโดยแท้นักปฏิบัติต้องเกิดปัญหาและปัญญาในตอนนี้แหลมากกว่าทุกขั้นทุกตอนที่ผ่านมาถ้าเข้าใจว่าตนมีภูมิจิตภูมิธรรมละเอียดคล่องแคล่วในอสุภะธรรมและนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นมารบกวนใจเลยคิดผ้าภูมิว่า ตนเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคือปฏิบัติสะดวกนั่นคือการพากภูมิในความนอนใจของการปฏิบัติเพื่อเรื่อถอนรากแก้วรากฝอยหรือรากเง่าเข้ามูลของกิเลสทั้งปวงโดยไม่รู้สึกตัวเพราะการแก้กิเลสด้วยปฏิปทาเริ่มแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาตามลําดับขั้นนั้นๆโดยมากต้องเกิดปัญหาต่างๆแทร้ขึ้นในระหว่างเป็นระยะไปซึ่งเป็นการปลุก หรือขย่าสติปัญญาให้ตืมตัวไปในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นบ้างเลยนั่นน่าจะปฏิบัติสะดวกเกินไปถ้าเป็นชิ้นเนื้อต่างๆก็ชนิดเขียงกลัวไปตา่ตางๆกันไม่กล้าเข้ามารองรับให้สาาัพพันนี่ก็น่ากลัวตัวประมาทนอนใจหรือตัวโมหะพากันกลัวไปตา่ตางๆกันไม่กล้ารับเข้าในบัญชีตัวจะไปทําลายจําพวกโมหะที่มีอยู่มากพอแล้ว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 ซึ่งเป็นการดำเนินผ่านพ้นไปด้วยในขณะที่ปัญหาแต่และข้อตกไปอุบายแยกคลายต่างๆย่อมเกิดขึ้นเสมอโดยสติปัญญาที่ขุด ค, นค้นคลี่คลายพัาให้เป็นไปการปฏิบัติที่ม่มีมปัญหาใดๆเกิดขึ้นบ้างเลยย่อมแสดงถึงความนอนใจของผู้ผปฏิบัติเองว่าไม่สแสวงหาทางหลุดพ้นด้วยความสนใจเท่าที่ควรเพราะโดยมากปัญหาย่อมเกิดขึ้นจากการไข้โค ร, ครนญไตรจองหาเหตุ จิตเป็นตัวการคอยรับเหตุทีชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อสังเกตใข่ค ร, อรนอยู่บ้านย่อมต้องเจอสิ่งที่จะให้เกิดปัญหาเรื่อง ต, ต่างๆขึ้นมาอันเป็นทางให้เกิดปัญญาในอนาคตต่อไปสำหรับผู้สนใจต่อปัญญาเครื่องตัดฟันกิเลส<ญ>จึงขอเรียนตามความรู้สึกว่านักปฏิบัติใดที่ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นจากกา ร, รปฏิบัติบ้บางเลยนับแต่ขั้นสมาธิเป็ น, นต้นไปนักปฏิบัตินั้น ได้ปฏิบัติเพื่อปัญญาความรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งหลายอย่างแท้จริงและย่อมจะหาทางหลุดพ้นไปไม่ได้เพราะสัจธรรมฝ่ายผูกมกัดจิตอันมีสมุทัยเป็นสำคัญนั้นคือแหล่งแห่งปัญหาเครื่องปลุกหรือเขยา่าทั้งมวลและมากมีสมาธิสมาสังกัปปะเป็นสําคัญเป็นแหล่งแห่งปัญญาทุกขั้นซึ่งเป็นเครื่องแก้ปัญหาที่เกิดจากสมุทัยสัตย์ ท, ทั้งสองนี้ ต้องทำหน้าที่ต่อการอย่างเต็มภูมิก่อนจะผ่านไปได้แต่ละขั้นระภูมิการที่สติปัญญาทำหน้าที่ต่อสมุทยัยอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหานั้นเรียกว่าปัญหาเกิดและเรียกว่าแก้ปัญหาในวงปฏิบัติของนักภาวนาทั้งหลายดังนั้นผู้เข้าผู้ก้าวเข้าสู่ความสงบบ้างแล้วจึงควรใช้ปัญญาหาเหตุผลในลําดับต่อไปหรือเรียกว่าเริ่มต้นหาเรื่องให้เกิดปัญหา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 ไขปัญหาต้องเป็นปัญญาเช่นนั้นต้องใช้อุบายอย่างนั้นดังนี้ย่อมไม่ได้เรื่องถนองนี้ต้องเป็นเทคนิคคือความแยกคลายของแต่ละรายจะคิดผลิดขึ้นเพื่อเหมาะแก่กรณีนั้นเป็นข้อข้อและเป็นรายรายไปเพราะคำว่าปัญหาก็ดีปัญญาก็ดีมีมากมายและสลับซับซ้อนไปตามคนมัญญาของกิเลสหมู่ไทยและความแยกคลายของสติปัญญา ดังนั้นจึงลงไว้เท่าที่ควรไม่ฟั่นเฟือหรือ่างเกินไปจนทําให้ท้อถอยน้อยใจก่อนจะลงมือปฏิบัติอย่างไรก็ตามการปฏิบัติทางใจเพื่อเหตุเพื่อผลจริงๆจำต้องมีปัญหาและปัญญาเป็นค่าศึกศัตรูกันตลอดไปจนถึงที่สุดของเหตุและผลโดยสมุดแล้วนั่นแลปัญหาเกี่ยวกับสมุทัยก็ดีปัญหาเกี่ยวกับมเครื่องแก่ก็ดีย่อมหมดไปดตามกัน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 ไม่มีความรอดแรงต่อความผิดพลาดในบรรดาปัญหาที่สนทนาผ่านมาแล้วฝ่ายทั่วให้การศึกษาก็แน่ใจว่าปัญหาของท่านนั้นเป็นไปในร่องรอยเพื่อการถอถอนกิเลสและเป็นเครื่องส่งเสริมในการพิจารณาหาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆตามความจําเป็นปัญหาเกี่ยวกับความติดขัดในการพิจารณาเพื่อผ่านไปเป็นภพนี้สําคัญมากขณะพิจารณานั้นจิตติดอยู่กับอะไรจะควรพิจารณาแค่ไขอย่างไรจึงจะถูก และจะผ่านไปได้คู่สนทนาหรืออาจารย์ต้องพยายามชี้แจงวิธีแก้ไขจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจเพื่อผู้นั้นจะนำไปปฏิบัติถูกและได้ผลเป็นระยะไปปัญหาต่างๆที่ปรากฏขึ้นแต่ละปัญหาทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาขัานนั้นย่อมสร้างความหนักใจแก่เจ้าของได้พอดูนอกจากจะวินิจฉัยด้วยตัวเองแล้วยังต้องอาศัยท่านที่เคยผ่านมาแล้วเป็นคู่ปรึกษาเป็นทอดทอดไปเพื่อความแน่ใจในการปฏิบัติ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 เริ่มจากต้นจนเต็มภูมิที่รู้ที่เป็นมาจากนั้นถ้าท่านภูใด ย, ยังคล่องใจในแง่แห่งธรรมหรือปัญหาที่มีแฝงอยู่ในธรรมที่ฝ่ายหนึ่งเล่าให้ฟังท่านผูนั้นก็สนทนาซักซ้องความเข้าใจต่อกันต่อไปอีกจนเป็นที่ลงกันได้ด้วยความสนิทใจอีกประการหนึ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าปัญหาบางแขนงที่นํามาสนทนาต่อกันนั้นยังไม่เป็นที่สนิทใจของฝ่ายที่มีภูมิเหลือกว่าก็อธิบายแนแนวให้ ถ้าควรดัดแปลงแก้ไขก็อธิบายวิธีแก้ไขให้ฟังถ้าควรงดไม่วควรดำเนินวิธีนั้นต่อไปจะมีความเสียหายตามมาก็ชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจการสนทนาทำทางด้านปฏิบัติจึงเป็นมงคลทั้งสองฝ่ายตามความรู้สึกของผู้เขียนเพราะต่างฝ่ายทางฟังกันด้วยความจดจ่อต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งการสนทนาและได้รับธรรมานุสสานจากกันไปเป็นที่ระลึกและปฏิบัติตามอย่างหาคุณค่าใดๆมาเทียบประมาณไม่ได้ ความร้ารลึกในบุญคุณของการละกันก็ไม่มีเวลาสิ้นสุดตลอดบรรดายไม่มีทางเป็นอื่นขณะที่ท่านกําลังสนทนาธรรมกันบางครั้งก็ยังมีพระที้ดื้อไม่เข้าเรื่องเช่นผู้เขียนขโมยไปแอบฟังจนได้จะว่าผิดพระวินยัยเพระไปแอบฟังคําของผีสุอื่นทะเลาะวิวาทกันปัญหานี้ก็ไม่เข้าในลักษณะนั้นจึงพอเป็นโอกาสให้พระประเภทไม่เข้าเรื่องมีช่องทางสแสวงทำจากวิชีนั้นได้ขณะนั้นแล คือเวลาเป็นทองเป็นธรรมทั้งแท่งของทั้งคู่สนทนาทั้งผู้ไปแอบฟังยิ่งกว่าเวลาอื่นใดเพราะเป็นเวลาที่ทั้งสองท่านถ่ายทอดธรรมออกจากดวงใจมาเป็นกวญหูกวญใจของกันและกันแม้ประเภทแอบฟังก็สนุกขโมยเก็บกว่าธรรมจากท่านมาเป็นกวญใจของตนต่อไปอีกต่อหนึ่งแบบนักปรารถขโมยธรรมซึ่งไม่ค่อยจะปรากฏมีมากนักในวงพุทธศาสนา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 กินเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะจบลงได้แต่ละฝ่ายเพราะเกี่ยวกับวิธีการบําเพ็ญสถานที่บําเพ็ญการแก้ปัญหาสําคัญลงได้แต่ละปัญหาซึ่งมีจํานวนมากต่มากเดียกันและเวลาเข้าใจทำแต่ละขั้นหลังจากแก้ปัญหาสําคัญลงได้จึงเป็นเรื่องยืดยาวและสลับซับซ้อนมากกว่าจะพน า, นาเรื่องความเป็นมาของจิตแม่เพียงตอนสําคัญสำคัญจบลงก็ยังต้องกินเวลานา น, าน แต่และฝ่ายเล่าก็มีในแห่งการพนันนาความเป็นมาของตนยืดยาวและสลับซับซ้อนคล้ายคลึงกันทั้งนี้เพราะเป็นความจะเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเล่าในประเด็นสำคัญที่ควรเล่าเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจระวังเหตุกับผลว่าสมดุลหรือขัดแย้งกันประการใดบ้างเนื่องจากผลแห่งธรรมทุกขั้นที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติจำต้องแสดงถึงเหตุคือวิธีการดำเนินคำกับไปด้วยดังนั้นการสนทนาธรรมจึงต้องกล่าวถึงเหตุเป็นคู่เคียงกันไป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 แล้วจิตกับกิเลสประเภทนี้ขาดจากความสืบต่อกันไปในขณะนั้นและขั้นที่จิตมีกำลังเต็มภูมิแล้วคว่อมอวิชชาซึ่งเป็นรากแก้วของวัตฏะลงได้เหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมอัศจรรย์หาฟังได้ยากในชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งเกิดมาส่วนมากทั้งท่านและเรามักจะตายเปล่าไม่เคยมีเสียงของท่านผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมประเภทนี้มาผ่านหูเลยนอกจากเสียง ยโรโปโกเกที่เหยียบย่ำความร้ายสุขภาพทางกายและทางใจดังเราเรท่านท่านฟังกันอยู่ทุกวันจนเบื่อแทบ อ, อกแตกตาอยู่แล้วแม้เช่นนั้นก็อดพูดอดฟังกันไม่ได้เพราะเป็นประเภทอาหารก้นหม้อทำให้ทานก็ไม่ทราบจะทานอะไรแต่การสนทนาธรรมกันท่านกล่าวไปตามหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตในวงปฏิบัติไม่ได้กล่าวถึงขั้นถึงภูมิแห่งธรรมนั้นเลยว่าได้ขั้นนั้นขั้นนี้ เช่นได้บรรลุโสดารหัสไม่ว่าท่านองค์ใดสนทนาท่านรู้สึกถนัดไปตามวิสัยฝ่าเสียมากกว่าจะเป็นวิสัยของผู้เจริญและชัดเจนในสังคมในวงปฏิบัติท่านหรืยินท่านองค์ใดพูดแบบบ้านเมืองที่เจริญแล้วออกมาว่าสําเร็จขั้นนั้นขั้นนี้ดังนี้เพื่อนฝูงจะรู้สึกอะไรอะไรไม่สนิทใจกับท่านองค์นั้นขึ้นมาแบบพ่คนและออกจะเริ่มคลายความสนิทใจตายใจทันที เพราะกิริยาชนิดนั้นไม่มีท่านผู้ใดแม้มุ่งต่อทาขั้นอนั้นอยู่อย่างเต็มใจอาจพูดออกมาได้เนื่องจากท่านเห็นว่าเป็นธรรมอันสูงสุดในแดนแห่งธรรมที่ท่านสมมติไว้จึงพากันเทิดทูลไม่กล้าอาจเอื้อมในทางวาจาแต่มุ่งสัมผัสทางใจด้วยข้อปฏิบัติมากกว่าการแสดงกิริยาอันน่าเกลียดออกมาให้โลกเห็นแต่การแสดงออกด้วยความสําคัญว่าตนสําเร็จซึ่งเกิดจกากความไม่รอบคอบแต่เจตนายัางดีอยู่ก็มี แสดงออกเป็นอุบายวิธีจะไปเที่ยวโลกพระจันท์พระองัางารก็มีซึ่งเป็นเจตนาที่หยาบคายร้ายกาเช่นดีไม่ควรจะมีในวงปฏิบัติประเภทแรกพอให้อภัยควรช่วยเหลือได้ด้วยวิธีใดต่างก็พยายามช่วยเหลือสุดความสามารถไม่ค่อยมีท่านผู้ใดบางเฉียดนอกจากสงสารแล้วช่วยตักเตือนด้วยความเมตตาเพราะเรื่องทํานองนี้อาจมีได้ในวงปฏิบัติเพราะทางไม่เคยเดินย่อมมีรู้มีหลงได้ทั้งท่านและเรา ดังเคยมีมาแล้วในสมัยปัจจุบันนี้เองท่านธิว่านี้ก็เป็นนักปฏิบัติมีความสนใจในธรรมอย่างแฟงกลา้าไปบําเพ็ญธรรมอยู่ในปา่าอยู่ในภูเขาพอตอนดึกสงัดจิตก็เกิดสงัดขึ้นมาในเวลาเที่ยงคืนท่านเองเข้าใจว่าตนสําเร็จพระรหัสไปแล้วจึงคว้าเอากล่องยานัดในย่ามมาเป่าแทนนกหวีดปีดปีดปีดให้สัญญาณเร่งเรียกเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันมาหาในขณะนั้น เมื่อต่างตกใจรีบมาถามท่านก็บอกตามตรงว่าผมสําเร็จแล้วสำเร็จเมื่อสักครู่นี้เองนึกสงสารเพื่อนเพื่อนจึงได้เป่านกหวีดเรียกให้มาหาส่วนจะจริงหรือเท็ตนั้นไม่มีใครทราบได้ขณะนั้นเพื่อนเพื่อนสององค์ น, นึกตําหนิอยู่ภายในว่าสําเร็จแบบเป่านกหวีดนี้มันอะไรกันก็ไม่รู้พิสดารเกินไปแล้วนี่แต่ไม่กล้าออกปากพูดออกมาพอเที่ยงคืนวันหลังก็ได้ยินเสียงนกหวีดดังลั่นส น, นั่นภูเขาขึ้นอีกแล้ว เพื่อนๆได้ยินก็นึกเอือมในใจว่าป่านกหวีดคราวนี้จะสําเร็จขั้นบ้าหรือขั้นอะไรกันอีกงานนี่เมื่อคืนนี้ก็สำเร็จอารหันไปแล้วแล้วบัดนี้จะสําเร็จอะไรกันอีกก็ไม่รู้ยุ่งจริงพระอารหันองค์นี้แต่ก็ฝืนใจมาพระมาะด้วยกันจะทําเฉยเสียก็ดูอะไรอยู่พอมาถึงก็ถามว่าคราวนี้สําเร็จขั้นไหนกันอีกพระอารหันนกหวีดตอบว่าก็มันไม่สําเร็จนี่ท่านคืนที่แล้วเข้าใจผิดต่างหาก เพิ่งมาเข้าใจเดือนนี้ว่ามันยังอยู่จึงได้รีบเป่านกหวีดให้มาหาจะได้แก้ข่าวว่ามันยังไม่สำเร็จนี่มันโกหกผมต่างหากิเลสนี้เก่งจริงต่อไปนี้จะทรมานมันอย่างหนักโมโหจริงถูกกิเลสหลอกได้เพื่อนถามก็คืนที่แล้วก็ดีคืนนี้ก็ดีทำไมจึงพูดออกมาแบบพร่ำๆไม่มีสติอยู่กับใจบ้างหรือยอย่างไรเดี๋ยวเขาจะว่ากรรมฐานว่าผมหน้าอายจะตายอยู่แล้วเวลานี้ก็กิเลสมันหายองียบไปนี่นีกว่ามันตายแล้ว ก็ต้องฉลองชัยชนะบ้างสิท่านด้วยการปานนกิดไงละ่ะแต่คืนนี้มันโผล่ขึ้นมาอีกไม่ได้ตายดังที่เข้อใจจึงรีบบอกหมูเคลื่อนอีกน่ะสิถ้าเป็นความสัมพันธ์ปิดแบบนี้ก็ไม่มีใครถือสานอกจากนึกขบขันและหน้าหัวเราไปธรรมดาส่วนประเภทหลังเป็นประเภทที่น่าเกลียดน่ากลัวมากแต่ผู้ชอบไปโรคพระจันทร์นั้นมักจะชอบประเภทนี้กันมากจึงมักมีโรคพระจันทร์แฝงอยู่ในวงปฏิบัติเรื่อยมาอย่างแก้ไมต่ตก เฉพาะท่านอาจารย์มั่นที่ทราบมาไม่เคยปรากฏเลยที่จะพูดาพาดพิงองค์ท่านไปเกี่ยวกับมรรคผลว่าท่านในขั้นนั้นภูมินี้รู้สึกท่านเคารพในขั้นภูมิทำนั้นมากนอกจากจะพูดไปตามความจริงของธรรมที่ปรากฏขึ้นกับท่านเองแม้ที่เขียนไว้ในประวัติว่าท่านสําเร็จข่านนั้นเฉพาะองค์ท่านเองก็ไม่ได้แสดงออกอย่างนั้นแต่หากเป็นเพราะผู้เขียนซึ่งเป็นคนโง่ นำเรื่องท่านมาลงตางความเข้าใจที่ได้ฟังมธรรมในหลักธรรมชาติของท่านต่างหากที่นําลงเช่นนั้นโดยมีความมุ่งหมายอยากให้ท่านผูอ่านผู้ฟังได้อ่านได้ฟังอย่างถึงใจแม้ตนไม่ได้เป็นอย่างท่านพก็พอได้อ่านได้ฟังเป็นขวัญใจและอบอุ่นประ ต, ตุ้นเตือนประสาทพอตื่นตนบ้างไม่นอนจมปลักอยู่โดยทายเดียวการพูดเรื่องอุบายของสติปัญญาทําการพลิกแพงกับกิเลสและ ว, วิถีจิตที่ด้นด้านบันทอนกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีต่างๆ อันเป็นลักษณะท่าทางของอาชาในนั้นยกให้ท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าของประวัติในสมัยปัจจุบันโดยไม่มีทางติดได้สําหรับผู้เขียนแต่ที่ท่านจะพูดว่าผมสําเร็จขั้นนั้นภูมินี้แห่งธรรมนั้นไม่เคยได้ยินจากท่านเลยเพราะความฉลาดแหลมคมของท่านผู้เป็นแนติแบบฉบับแก่โลกสมัยปัจจุบันจึงไม่แสดงออกซึ่งสิ่งแสลงต่อหลักความดีงามแห่งพระธรรมินยัยอันเป็นองค์แทนของศาสนา ความฉลาดรอบรู้หากเตือนให้ทราบในฐานะของศาวสารกับของท่านเองซึ่งเป็นสาวกว่ามีความแตกต่างกันโดยทางสมมติขณะที่ท่านเองก็ยังอยู่ในสมมติโดยทางธาตุขันแม้จิตผ่านทนไปแล้วจึงควรยึดมาเป็นคติแก่อุชนรุ่นท่านๆเร า, เราพอจะมียางอายติดตัวติดใจบ้างไม่เลยเถิดตลอดเปิดเปิงจนผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นบุคคลที่น่าขยะแขยงในสังคมที่ยังเคารพสมมติอันดีงามทั้งหลายอยู่ ความจริงผู้ปฏิบัติธรรมที่มีภูมิธรรมในใจที่น่าเคารพนับถือเพียงกิริยาที่แสดงออกก็พอทราบได้ว่าเป็นผู้ควรแก่โลกแก่ธรรมเพียงไรไม่จำต้องนำสิ่งที่น่าเอือมออกประกาศโลกก็เคยใช้ความสังเกตพอรู้เรื่องดีชั่วกันมาอยู่แล้วเพราะในโลกมนุษย์พุทธบริษัทเราไม่ได้มีเฉพาะคนโงราา่รักษาศาสนาได้ถ่ายเดียวที่ควรจะนาวิธีการซึ่งนักปราชญ์ชาติอริยะจะพึงตันิมาใช้ประกาศศาสนา เนื่องจากวิธีที่ดีงามและและเยดสุขุมซึ่งเต็มริด้วยอัตถิธรรมความจริงทั้งหลายที่ท่านเคยพาใช้เพื่อความราบเรื่อนชื่นใจแก่หมู่ชนยังไม่หายสาสูนไปจากศาสนาและวงปฏิบัติยังเป็นวิธีที่ทรงดอกทรงผลที่น่ารื่นรมชื่นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ชมตลอดมาถึงปัจจุบันดังพระอัจฉิอรารหันท่านแสดงธรรมแก่ภษ า, ารีบุตรพุทธสาวกซึ่งเป็นความถ่อมตนเจียนตัวสมนามท่าน ที่เป็นพระขีณาสพไม่มีโลกาไม่ใดๆเข้าไปแอบแฝงใจได้มีนายแห่งธรรมที่แสดงออกในเวลานั้นว่ารูปเพิ่งบวชในธรรมวินัยใหม่ๆยังไม่มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางจึงไม่อาจแสดงทำให้ท่านฟังอย่างพิจารณากว้าง广ได้จะขอแสดงแต่ใจความเพียงย่อยๆเท่านั้นว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุและดับเพราะเหตุพาให้ดับถ้าสมณะโคดมผู้เป็นาศาสดาของรูปทรงแสดงสั่งสอนอย่างนี้ เพียงเท่านี้พระสาริบุตรคลังปัญญาที่กําลังเป็นปริภาชกและกําลังยืนอยู่ระหว่างทางสองแพร่งแห่งลทัทธิเดิมกับพระพุทธศาสนาก็ทราบธรรมรสทันทีในขณะนั้นและยึดสายทางแห่งพุทธศาสนาเข้าสู่ดวงใจอย่างฝังลึกทันทีราวกับจะอุทานว่าได้พบเส้นชีวิตที่ฝากเป็นฝากตายอย่างสนใจแล้วจากท่านผู้มหาคุณอสัญชิเถระอย่างไม่คาดฝันเป็นเพียงเพศเดิมแห่งปริพาชกเท่านั้นยังปรากฏอยู่ในร่าง ส่วนสมณเพศที่หนึ่งทางภายในที่ได้รับจากพระอัสสชิเถระนั้นได้เป็นอริยสาวกคนหนึ่งโดยธรรมชาติไปแล้วแม้เช่นนั้นปริพาโชคอุปติสระยังไม่ทราบเลยว่าอาจารย์ผู้ให้กำเนิดแห่งอริยภูมิแก่ตนเป็นสมณะที่เท่าไรเพราะท่านพระอัสสชิมิได้สนใจกับความประกาศตนอันเป็นเพียงลมปากผ่านออกมาแล้วว่าหายไปยิ่งกว่าการประกาศธรรมของจริงให้อุปติสระได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในเวลานั้น นี่คืออัญเชิญประเพณีของท่านผู้มีความสิ้นสุดจากโลคามิทอันมีพิษราวกับเบ็ดที่เป็นไฟแก๊ผงปราณปฏิบัติต่อโลกยิ่งมีแต่ของอัศจรรย์ออกแสดงกระแสเสียงและกิริยาที่ท่านแสดงทางแก่อุปติสสะปริภาชก ค, ครั้งนั้นแม้จะเป็นเวลานา น, านได้สองพันปีแล้วก็เหมือนยังเกิดก้องกังวานอยู่ในโสตประสาทของชาวพุทธเราม่ได้รวนรรยไปตามกางสมัยเลยแม้อุปติสสะที่ได้ถูกชุบชีวิตใหม่จนกลายเป็นภาษารีบุุทธศาบอกแล้ว ก็ไม่ได้ไปยอนผององดังที่มักปรากฏอยู่เสมอมาเลยยังยิ่งมีความเคารพระลึกในพระคุณท่านผู้เป็นอาจารย์จนเป็นที่ปรากฏเป็นในวงพระสาวทั้งหลายตลับมาทางได้รัความยกย่องส่งเสริมจากพ ร, พระบรมศาสาดาด้วยว่าเป็นผู้รู้จักบุญคุณของผู้อื่นที่เคยมีและแก่ตนแม้น้อยก็ไม่ได้หลงเลิมดังเรื่องราธรพราหมณ์เป็นตัวอย่างซึ่งได้รับการบวชเพราะพระสาที่บวชเป็นผู้รับอาสา ได้ด้วยความระลึกในบุญคุณที่ราธพราหมณ์เคยนําข้ามาใส่บาตรท่านทัานผีหนึ่งซึ่งถ้าเทียบกับธรรมดาของสามัญทั่วไปก็คงไม่มีอะไรพอเป็นเครื่องระลึกได้เพราะความเป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาอันเป็นตําแหน่งใหญ่โตรองพระพุทธเจ้าลงมาอ่านบทบังลบล้างความเป็นของเล็กเน้อยนไปในตัวแต่ทำและอัครส า, าวกผู้เป็นครังแห่งธรรมจึงไม่ได้เป็นดังที่โลกรธมากเป็นกันคือยิ่งดียิ่งเด่น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 ขาวยังเป็นอุปติสสะปริภาชกแสดงต่อกันจึงเป็นที่ทราบเส้นตรึงใจเพราะเป็นกิริยาของท่านผู้หมดเยื่อใยในอามิทั้งปวงที่โลกปรารถนากันจึงเป็นการแสดงออกที่บอกให้โลกทราบโดยในว่าท่านสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่มีความบกครองต้องการอะไรอีกแม้คําสรนเสริญเยินยอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกาฝากที่คอยเกาะกินเพื่อสร้างเนื้อหนังของตัวให้เจริญด้วยการทําลายสิ่งที่ตนอาศัยให้ยอด ย, ยับไป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 และเทิดทูนคุณธรรมนั้นไว้บนเสียงกล้าวตลอดการไม่มีวันเสื่อมคลายหายสูญไปเสียศาสนาก็จเจริญหัวใจคนผู้รักธรรมและเทิดทูนธรรมข้อนี้ก็สงบเยน็นเห็นความสุขในปัจจุบันทันตาท่านอาจารย์มั่นเองก็ปรากฏเด่นในทางนี้อยู่มากเราพอทราบได้ตอนท่านพูดยกคุณท่านอาจารย์สาวขึ้นเทิดทูนอยู่เสมอโดยยกการแรกบวชและออกปฏิบัติทีแรกที่ได้อาศัยอยู่กับท่านเรื่อยมา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 มากจะพน า, นาคุณของคณะสัตยาในแถวนั้นไม่ได้ขาดข้อนี้รู้สึกจะเป็นนิสัยประจําองค์ท่านมีฉะนั้นคไม่แสดงออกจนเห็นได้ชัดแก่ผู้อื่นตอนที่ท่านตอนที่ผ่านมาได้พน า, นาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานที่มีในแห่งธรรมและปัญหาต่างๆการตามภูมิและนิสัยของแต่ละท่านพอสรุปได้ว่าความหายสงสัยปัญหาภายในใจเกิดจากการวินิจฉัยได้เองหนึ่ง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 ด่วนวาระสุดท้ายแห่งปฏิบัตาจึงของกล่าวถึงพระอาจารย์สำคัญอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นบ้านเล็กน้อยเพื่อเป็นอนุสรณ์สาริยะแด่ท่านที่ไม่เคยผ่านประวัติท่านคือพระอาจารย์พมท่านอยู่วัดบ้านโรงเย็นอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อเ ร, เร็วๆนี้ผู้เขียนเคยได้อ่านประวัติย่อที่พิมพ์แจกในงานศพท่านเหมือนกันแต่หลงลืมไปบ้างแล้ว ทางวัดได้ถวายเพลิงท่านเมื่อวันที่6มีนาคม2514ท่านมีประวัติยอดประจำองค์อยู่แล้วแต่ที่มาเขียนซ้ำอีกเล็กน้อยนี้เพื่อท่านที่ยังไม่ได้รับหนังสือนั้นจะพอมีทางทราบได้บ้างว่าท่านเป็นพระเช่นไรที่ระบุนามท่านนี้เพราะประวัติท่านได้ระบุว่าอย่างชัดเจนแล้วจึงคิดว่าน่าจะไม่ขัดกันขับที่เขียนผ่านมาซึ่งไม่ได้ระบุนามท่านองค์อื่น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 มั่งมีสมบัติมากในแถบนั้นเพราะท่านเป็นพ่อค้าสารพัดอย่างแต่ไม่มีลูกหญิงชายเป็นของตัวนับแต่วันแต่งงานกันมามีเฉพาะสีภรยาและเหล่าล้านญาติมิตรบ้างเท่านั้นซึ่งต่างยินดีในการในการสละทานเพื่อความออกเป็นนักบวชด้วยกันเมื่อการให้ทานเสร็ จ, ส, รจสิ้นลงแล้วทั้งสองคนต่างแยกทางกันเดินท่านเองก็ออกบวชเป็นพระธุดงค์กรรมฐาน มุ่งหน้าต่อท่านพระอาจารย์มั่นเป็นที่ฝากเป็นฝากตายในชีวิตพรหมจรรย์ส่วนศรีภรยาก็ไปอีกทางหนึ่งเพื่อบวชเป็นชีมุ่งหนีสงสารสงความปณิธานที่ปรารถนาไว้และดํารงตนอยู่ในเพศพรหมจรรย์จนอมสารแห่งชีวิตมิได้เอ็งเอียงหวั่นไหวต่อโลกรมิได้ใดทั้งสิน้นซึ่งควรเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเฉพาะท่านอาจารย์พรหมตอนบวชทีแรกยังไม่สงความมุ่งหมายที่ต่างไว้ต้องไปอาศัยท่านพระอาจารย์สาร เป็นผู้พาอยู่อบรมไปก่อนจนกว่าโอกาสจะอำนวยจากนั้นจึงได้เที่ยวไปทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสแสวงหาท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเวลานั้นท่านพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นัยว่าท่านอาจารย์พรหมนี้ได้เที่ยวไปในที่ต่างๆจนถึงประเทศพมา่าและพักอยู่หลายเมืองด้วยกันมีท่านอาจารย์ชอบซึ่งมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาจฐานชนิดถึงไหนถึงกันแบบเพจนามหนึ่งเป็นหัวแหวนในวงเดียวกันเป็นเพื่อนเดินทาง เรื่องเหล่านี้ท่านอาจารย์พรหมเคยเล่าให้ผูเ้เขียนฟังเหมือนกันแต่หลงลืมไปบ้างแล้วมีปรากฏเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยที่ได้นํามาเขียนนี้เท่านั้นผิดพลาดจึงขออภัยด้วยท่านมีเรื่องแปลก แ, ล, กและอัศจรย์เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกอยู่มากทั้งในและนอกประเทศแต่จะขอผ่านไปฟังแล้วทั้งหน้าสงสารทั้งหน้าตื่นเต้นเพลิดเพลินและหน้าอาศัศจรรย์ในความเป็นนักต่อสู้และความรู้เห็นของท่านในการบําเพ็ญ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 เพราะทางที่ไปมีแต่ป่าแต่เขาซึ่งเค็มไม่ได้ ส, สรระสมนานาชนิดบางครั้งต้องปรองอนิจังต่อความเป็นอยู่ที่เต็ ม, มด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งสุดแสนจะทนได้และมีชีวิตสืบต่อไปในวันข้างหน้าขณะนั้นปรากฏว่าอะไรอะไรภายในตัวเรากับจะสุดสิ้นลงพร้อมในเวลาเดียวกันลมหายใจก็เหมือนจะขาดความสืบต่อลงไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งในบรรดาเหตุทั้งหลายที่เป็นเครื่องกดทุ่งทรมานร่างกายและจิตใจ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 แต่จำไม่ได้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไรเขาลกูกใดและอำเภอใด